ข้อความในพุทธวงศ์ต่อจากครั้งที่แล้วในหน้าสิบสองทบทวนนิดหน่อยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพ็ญเดือนหกพระองค์ก็เสวยวิมุติสุขอยู่บริเวณแถวสถานที่ตรัสรู้ประมาณเจ็ดสัปดาห์ แล้วองค์ก็ประทับอีกจนถึงประมาณวันเพ็ญเดือน8ก็คืออยู่แถวแถวบริเวณที่ตรัสรู้ประมาณสองเดือนนะตัง้งแต่เดือน6ถึงเดือน8หลังจากวันถึงวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยนะใช่ไหมอาสาฬหาบูชาวันเพ็ญเดือน8พระองค์ก็เสด็จไปที่เมืองพารณสีประกาศธรรมจักรให้ผ่านไปพระองค์ก็สงเคราะ์พระพิสุ ป, ปัญจวักขีสงเคราะหพนาลกะเป็นต้นสงเคราะห์พยศะ พร้อมทั้งสหายอีกห5ได้ให้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์หลังจากออกพรรษาพระองค์ก็โปรดพระพัทวัคคีอีก30โปรดเชดิน3าพี่น้องอนะที่ตำบลขยาศีสะนะนะขยาศีสะซึ่งก็ห่างจากพุทธคยาขออภัยห่างจากพารณสีมาที่ขยาศีสะเนี่ย200กว่ากิโลพระองค์ก็เสด็จย้อนกลับมาทางาแคว้นมคธอีกเนี่ยนะเรียกว่าพระองค์จากแคว้นกาศี เมืองพาราณสีในคีคเาตระนกาสีเสด็จมาที่แควนมคตเนี่ยมาที่แควนมคตสงเคราะห์เชเด่นสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารให้ตรัสรู้ อ, นนะอริยสัตว์บรรลุเป็นพระอรหรันต์หลังจากนั้นพระองค์ก็พาพระพิสุเชเด่นสามพี่น้องเนี่ยนะพร้อมทั้งบริวารหนึ่พันไปสู่เมืองราชครื้โปรดพระเจ้าพิมพิสามพร้อมกับประชาชนชาวอังคะกับชาวมคต ให้มีการตรัสรู้ธรรมก็มีการสงเคระาะห์ภาษาดีบบทภาษาดิบตรก็ได้บวชบรรลุธรรมที่เมืองราชครึกนั่นเองวันเวลาผ่านไปพระเจ้าสุทโธทธนะเนระลึกถึงลูกอยู่เสมอตั้งแต่ลูกออกบวชวันเวลาผ่านไปเจดปีลูกก็ไม่ไม่กลับแต่ก็ได้รับข่าวคราวมาเรื่อยๆซึ่งตัวเองก็คิดว่าอายุมากแล้ว เพราะว่าหลังจากนั้นอีก5พันษาหรืออีก5ปีเนี่ยพระองค์ก็สิ้นพระชนเพราะฉะนั้นคิดถึงลูกอยากเห็นเจนเห็นหน้าลูกก่อนเพราะแก่แล้วกลัวไม่ได้เห็นหน้าลูกก็เลยส่งอมสาธพร้อมกับทหารครั้งละพันครั้งละพันให้ไปอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาสู่กบิลพัททหารและอมสาธชุดที่1 2ึ่งสองสห้าหกไม่ได้นิมนต์เลยเพราะว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เสร็จก็ไม่ใช่ทูตของพระราชาแล้ว แล้วก็พระองค์ก็ส่งการุธายีอ ม, มาตพร้อมทั้งบริวารอีกพันหนึ่งให้ไปอาราธนานิมนต์พระการุธายีก็ขอพระราชทานพระราชาอนุญาตเพื่อบวชพระองค์ก็อนุญาตให้บวชบวชเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าบวชยังไงก็ช่างเถอะขอให้นิมนต์พระพุทธเจ้ากลับสู่กรุงกบิลพัทพระการุธาย่เนี่ยนะเมื่อเห็นว่าฤดูร้อนย่างเข้ามาซึ่งเป็น ช่วงนั้นอากาศจะร้อนข้างโดยทั่วไปก็จริงแต่ว่าต้นไม้ทั้งหลายให้ร่มให้เงาหมดแล้วก็เลยอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมกับบริวาร น, นะพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ให้ไปโปรดพระญาติซึ่งพระองค์ก็รับ น, นะพระองค์ก็เสด็จพร้อมกับกุลบุตร เ, เสด็จพร้อมกับพระ้าหันสอง 0,000 รูปไป 20,000 รูปนั้นก็คือใครบ้างสอง0 0ื่รูปมี พระพิสุชาวอังคะชาวมคตหมื0นรูปแล้วก็พระพิสุชาวกบิลพัทเนี่ยนะอีกหนึ่งหมืนรูปพระองค์ก็เสด็จเดินทางโดยลำดับใช้เวลาประมาณสองเดือนก็คือสองเดือนเพราะทาง60โยน์เดินทางวัลยโยต์วัลยโยต์จนถึงเมืองกบิลพัทพระญาติทั้งหลายก็ต้อนรับ น, นะด้วยจัดสถานที่ที่นิโครวัดนิโครธาราม ส่วนของเจ้านิโครดสักยะเนี่ยนะก็จัดส่วนตรงนั้นให้เป็นที่ประทับสำหรับพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกซึ่งก็แสดงว่าสถานที่ตรงนั้นใหญ่โตมากพอที่จะรองรับพระภิกษุสงฆ์ได้เป็นหมื่นรูปทีนี้ไม่ใช่อยู่เฉพาะพระภิกษุสงฆ์ก็ยังมีพุทธบริษัทอีกเพราะว่าสักยะตระกูลเนี่ยประมาณ8 4หมื่นันตระกูลชื่อว่าตระกูลใหญ่มากพัน สถานที่คงใหญ่มากสามารถบรรจุคนได้หลายแสนเนยนะกว้างขวางซึ่งวันที่รับเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจัดให้พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัสน์นั้นพระญาติทั้งหลายโดยเฉพาะรุ่นรุ่นพี่ไปแล้วเนี่ยนะรุ่นพี่รุ่นลุงป้านนะอาปู่ย่าตายายรุ่นทวดทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมยกมือไหว้ประนมมือพระพุทธเจ้านะนะ คือพระพุทธเจ้าอายุน้อยกว่าน่าจะไปไหว้พระญาติทั้งหลายใช่ไหมบอกว่าไม่ถ้าพระองค์ไหว้ผู้ใดศีรษะผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สูงสุดในหมดหมู่นรชนพระองค์ไม่สามารถจะไหว้ผู้ใดไ ด, ได้ถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยนะไหว้ผู้ใดไม่ได้ถ้ากราบไหว้ผู้ใดยกมือประนมอัญชลีนอบน้อมผู้ใดผู้นั้นเนี่ยศีรษะแตกเจเสี่ยงอย่าว่าพระพุทธเจ้าเลยพระมหากัะสปะเนี่ยถ้ า, ถ า, ถาท่านไหว้ทะเลทะเ ล, ะเลจะแห้งท่านมีคุณธรรมขนาดนั้น ท่านท่านไหว้ถ้าปกติแล้วท่านจะไหว้ใครไม่ได้เลยนอกจากไหว้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองท่านเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมขนาดนั้นคือเขาวัดกันที่คุณธรรมนะนะอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้นเมื่อพระองค์เป็นพระอรหันตเนี่ยเป็นผู้ควรแก่การกราบการไหว้ที่สุดในบรรดาผู้ควรแก่การกราบไหว้แต่พญาติเหล่านั้นก็ถือว่าตัวเองอายุมากแล้วเป็นพี่เป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอา เป็นอะไรทั้งหลายที่เป็นๆ เ, เนี่ยนะแต่ว่าพระญาตเหล่านั้นไม่รู้รอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณเช่นใดมีพระฤทธิ์เช่นใดมีกําลังปัญญาอย่างใดพระองค์ก็เพื่อจะขจัดมารณะของพระญาตทั้งหลา ย, ยานะก็แสดงปาฏิหารโดยการเนรมิตร er ัตนจงกรมขึ้นเนรมิตรัตนจงกรมแสดงยมมกะปาฏิหารเพื่อสงเคราะห์พระประยูรย่ระยะทั้งหลาย ซึ่งตอนที่พระองค์แสดงยมกกปาฏิหาริย์จงกรมอยู่บนรัตนจงกรมนั้นมีหมู่เทวดาทั้งหลายรวมทั้งพรหมเทวดาในหมื่นจักรวาลก็มานอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าณสมัยนั้นพระสาริบุตรท่านอยู่กับพระพิโส ป, ประมาณ500รูปที่กรุงราชคครกคือที่ภูเขาขิชกูดเนี่ยนะใกล้ใกล้กรุงราชคจรึก พภาษาบุตรนั้นมองเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะเห็นพระพุทธเจ้ากําลังเดินจงกรมอยู่บนรัตนะจงกรมแสดงย่ามะกะปาฏิหารแสดงพระธรรมเทศนาภาษาบุตรมองเห็นเหมือนกับมองเห็นพระจันทร์ในวันเพ็ญ น, น, นะที่ลอยเด่นมองเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมองเห็นดวงอาทิตย์ฉะนั้นก็เลยชักชวนพระภิสุบริวารที่เป็นพรารหันทั้งห้ารอรูปเหาะไปกราบ แทบพระบาทของพระผู้มีพระพ่อพระภาคเจ้าณท้องฟ้าเนี่ยนะนี้พอไปถึงพระสารีบุตรก็ไปพระภิสุทั้งหลายผู้เป็นพาธฐานเช่นพระสารีบุตรพระโมคขลานะพระมหากระสปะเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็ไปกราบไปไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระพิสุเหล่านั้นเนี่ยนะกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์พระองค์ผู้เป็นพระมหาวีระมุนีในหน้าสิสอง ย่อหน้าที่สามบอกว่าพระมหาวีรมุนีผู้ฉลาดในข้ออุปมาผู้ตัดความสงสัยได้พระองค์ทราบจิตใจของภิกษุเหล่านั้นรู้ว่าพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะรู้พระพุทธวงค์อยากจะรู้พระพุทธคุณทั้งหลายของพระคุณธรรมพระปุพพเจริยาคุณเป็นต้นที่พระองค์เนี่ยประพฤติปฏิบัติมาพระองค์ก็เลยตรัสถึงพระคุณของพระองค์ว่า อ่ะสงขยัยที่มีเบื้องปลายอันใครใครตามไปอ่ะแล้วก็ไม่รู้ติดตามไปเนี่ยนะโดยเฉพาะถอยหลังอดีตเนี่ยนะหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าติดตามไปแล้วก็ไม่รู้เลยเนี่ยใครก็ส่งความคิดติดตามสิ่งเหล่านั้นอะ่ะคิดยังไงก็ไม่มีจบมีสิ้นเรียกว่าสงไข่สงไข่โดยศัพท์แเพว่านับไม่ได้สิ่งที่นับไม่ได้คิดยังไงก็คิดไม่จบไม่สิ้นมีอยู่4ประการคือหนึ่มูสัตสองอากาศสมจักรวาล สี่พระพุทธยาณนีนะสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สุดเป็นสิ่งที่ไม่มีประมาณเพราะว่าใครอยากจะนับหมู่สัตว์ว่าเออมีกี่ตัวนะในโลกนี้มีมดกี่ตัวมีแมลงกี่ตัวนีนะมีนับไล่ตั้งแต่สัตว์ในน้ํามีกี่ตัวสัตว์บนบกมีกี่ตัวแมลงแมลงมีปีกมีกี่ตัวเป็นต้นไล่ไปแล้วก็ไล่ทุกๆจักรวาลนะนับตั้งแต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหม อสัญญาสัตตาพรหมและอรู ป, ปรพรหมในจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้ไม่มีผู้ใดาสามารถนับจำนวนสัตว์ได้จำนวนหมูสัตว์นะแต่พอฟังอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทำให้นึกถึงว่าคาว่าสัตว์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ติดข้องอันจำนวนผู้ติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยหาประมาณไม่ได้จริงๆ ไม่ต้องไปนับว่าเพราะทุกคนติดเหมือนกันหมดเลยติดในรูปติดในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณผู้ที่ติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหาประมาณไม่ได้ไม่มีขันเหล่าใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดติดเพราะฉะนั้นผู้ที่ยึดติดในขันนี่จึงมากมายเหลือเกินหาที่สุดไม่ได้นี่ข้อแรกข้อสองอากาศอากาศนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สุดขนาดอะไรนะสมัยใหม่เขาสามารถคํานวณถึงแสงสว่างเนี่ยนะ แสงสว่างเช่นว่าแสงดวงนั้นเนี่ยห่างจากโลกกี่พันล้านปีแสงเขาคำนวณได้อะแต่ขนาดนั้นก็ยังไม่ใช่ว่ามันจบสิ้นแล้วนะจักรวาลเนี่ยเพราะฉะนั้นจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลมีเท่าใดอากาศก็กว้างขวางกว่าจักรวาลรฉนั้นอากาศก็ไม่มีผู้ใดไปท่องเที่ยวไปจนหมดจนสิน้นแล้วก็พระพุทธยาณเนี่ยนะพุทธานนี้ไม่มีที่จบที่สิน้น มันอาสงไขสิ่งที่นับไม่ได้4ประการเหล่านี้ใครๆก็ไม่อาจรู้ได้คําว่าไม่รู้ได้นี่ก็คือไม่รู้ทั้งหมดสิ้นเชิงได้เบ็ดสิทธิ์เบ็ดเสร็จครบถ้วนแต่รู้ได้บางส่วนอย่างมูสัตทั้งหลายเนี่ยนะเราจะว่าเราไม่รู้ก็ไม่ได้เราก็รู้ในขอบเขตของเราแต่ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทั้งหมดอากาศทั้งหลายท้องฟ้าทั้งหลายเราก็รู้ในวิสัยของเราแต่ไม่ใช่รู้จักท้องฟ้าทั้งหมด จักรวาลเราก็รู้ได้ในบางส่วนแต่ไม่ใช่รู้ทั้งหมดพระพุทธยาณเราก็รู้ได้เป็นบางส่วนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ทั้งหมดรู้อรหันตคุณเป็นต้นในบางส่วนเท่านั้นเองพระองค์ก็ตรัส ก, กล่าวา<ม>าว่า<ม>การทำฤทธ์ต่างๆของเราเนี่ยนะจะอัศจรรย์อะไรในโลกฤทธิ์ที่พระองค์แสดงเนี่ยนะตอนที่พระองค์แสดงยงมกะปาติหารเพื่ อ, อลดมณะของพระประยุราญาติทั้งหลาย กำจัดความไม่มีศรัทธาเป็นต้นทําให้บุคคลเหล่านั้นมีศรัทธาเนี่ยการทำริษะนะอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ชนะอัศจรยร์อะไรในความคิดของพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าอัศจรยร์แท้ๆสาหรับพระองค์ความอัศจรรย์อื่นๆที่ไม่เคยมีเนี่ยนะหน้าขนลุกขนชันยังมีอีกมากอ่ายกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆว่าในกาละใด เรามีเชื่อว่าเท้าสันดุสิตในหมู่เทพชั้นดุสิตในกาลนั้นเทวดา ม, มื่นโลกธาตุประชุมกันประคองอัญชลีอ้อนวอนเราว่าอ้อนวอนก็คือขอร้องอาราธนานิมนเชื่อเชิญว่าข้าแต่พระมหาวีระนี้เป็นกาลสมควรสำหรับพระองค์ที่จะเสด็จไปอุบัติในพระคันของพระมารดา เพื่อจะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอขะสงสารขอโปรดจงตรัสรู้อมตะบทเถิดนะส่วนรายละเอียดจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นพ่อความที่เป็นบาลีเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสเล่าต่อไปอีกว่ากาละดเราจุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตก้าวลงในพระคันการนั้นพระธรณีในหมื่นโล ก, กาธาตุก็หวั่นไหวแผ่นดินไหวหมื่นโล ก, กาธาตุเนี่ยนะไม่ใช่ไหวสามที่เดียว คําว่าแผ่นดินไว้ในที่นี้ไม่ใช่ไว้แบบตึกถลม่มฟ้าทลายเสียหายยับเยินไม่ใช่แบบนั้นหมายคําว่าแผ่นดินโมศมนัดดีใจปราบปลื้มใจเหมือนกับแผ่นดินร่ายรำเขาว่างั้นร่ายระบําดีใจมากนะคนเขบอกว่าดีใจอย่างอันดับระดับหนึ่งเนี่ยนะคนบางกลุ่มถ้าดีใจจะต้องเป็นร้องรําทันทีเลยฉันใดแผ่นดินก็เหมือนกันฉันนั้น ในการละใดเรามีสติสัมปชัญญะออกจากพระคันของพระมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายก็ให้สาธุการหมื่นโลกาธาตุก็วันไหวอันที่สวนลุมพินีวันก็เป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งการแผ่นดินไววเป็นเอ่อเป็นต้นตำรับให้แผ่นดินไววอีกสถานที่หนึ่งเหมือนกันพระองค์ก็บอกว่าไม่มีผู้เสมอเราในการก้าวลงสู่พระคัน ไม่มีผู้ใดเสมอเราในการออกจากพระคันเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในการตรัสรู้คือไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าในการตรัสรู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับเราในการประกาศพระธรรมจักรตรงนี้ยกว่าไม่มีผู้เสมอเหมือนสี่อย่างที่จริงก็ตอนท้ายด้วยนะในการปรินิพานด้วยแต่ก็ไม่ได้เล่าเพราะตอนนั้นพระองค์ยังไม่ดับขันปรินิพานก็เล่าแค่ สี่อย่างว่าการลงสู่พระคันการคลอดออกจากพระคันในการแสดงธรรมจักในการตรัสรู้และการประกาศธรรมจักรทุกอย่างที่พระองค์ทาไม่มีผู้เสมอเหมือนโอความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีพระคุณมากนะพระพุทธคุณของพระองค์เนี่ยมีมากทั้งอะไรนะทัวในครั้งว่าพระพุทธคุณทั้งหลายมีมากเช่น พระปุพพจริยาคุณพระสรีระคุณพระพุทธคุณทั้งหลายและพระพุทธกิจที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะมีมากเหลือเกินน่าอัศจรรย์ในโลกหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวโดยอาการ6เนี่ยนะแสงสว่างก็เกิดขึ้นน่าอัศจรรย์น่นาขนลุกขนชันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในนรชนนั่นที่เคยได้ยินกันอยู่แล้วว่า ในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์4เท้าสัตว์ไม่มีเท้าหรือสัตว์ที่มีสัญญาไม่มีสัญญาหรือเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในหมู่สัตว์เหล่านั้นพระชินเจ้าเมื่อทรงแสดงโลกพร้อมทั้งเทวโลกเสด็จจงกรมด้วยพระวรรเด์ พระผู้นำโลกเสด็จจงกรมพลางตรัดธรรมกถาไปพลางจะไม่เสด็จกลับในระหว่างเหมือนที่จงกรมระยะ4ศอกไม่ใช่เดินกลับไปกลับมา4ศอกก็เดินประมาณ8ปดก้าเออสศอกก็เดินประมาณ4ีเก้าเดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะสักสินาทีก็เมาหัวล้มแล้วละ่ะแต่ว่าพูดถึงว่าพระองค์จะไม่เดินที่จงกรมแคบๆแบแบนั้นเดินจงกรมยาวแค่ไหนหมื่นจั ก, กรวาลเนี่ยนะเดินจงกรมเนี่ยหมื่นจั ก, กรวาลเดินกลับไปกลับมาแต่ว่าพุทธานุภาพเป็นอจินไตย อ่ะ น, นะไม่ใช่วิสัยก็บอกว่าตัวรินตัวไรเนี่ยรู้วิสัยของพญาอินทร์ไม่ว่าบินขนาดไหนบอกไม่ใช่วิสัยเราทั้งหลายก็ชันนั้นเนี่ยนะวิสัยสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์แสงหิ่งห้อยทั้งหลายไม่รู้หรอกวิสัยของดวงอาทิตย์เป็นเช่นใดนั้นมันเราก็หลายๆเรื่องการศึกษาพระพุทธคุณทั้งหลายให้รู้เถอว่าพุทธานุภาพเป็นอจินไตยฟังเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาแต่ถ้าเราปรารถนาจะรู้อย่างครบถ้วนกระบวนความ ผู้นั้นก็จะต้องเป็นแบบพระพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันน่ะจึงจะรอบรู้ทุกประการน่ะนะอันไหลายๆอย่างก็เพื่อเสริมสัจทินทรีย์แต่อย่าลืมอินทรีย์ในพระาศาสนานี้พระองค์สอนให้เจริญอินทรีย์5ประการเนี่ยนะศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาเพราะว่าอินทรีย์ทั้ง5ประการที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วยังลงสู่อมะตะเป็นที่สุดมีอมะตะเป็นที่สุดเนี่ยนะ ดูข้อความในอัตถกถากรในหน้า139ย่อหน้าล่างครั้งนั้นพระาศาสดาทรงทราบอาจาระทางจิตของพิสุประมาณ500รูปมีภาษาริบุรเถระเป็นต้นแล้วทรงเริ่มตรัดคุณทั้งหลายของพระองค์เนี่ยนะถึงพระพุทธคุณทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระสังคีติกาจารย์จึงกล่าวว่าพระมหามุนีผู้ฉลาดในข้ออุปมาทรงทราบ จิตของภิกษุเหล่านั้นจะทรงตัดความสงสัยจึงตัดพระคุณของพระองค์เนี่ยนะพระมหามุนีก็คือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐกว่าอาคารามุนีอนาคารามุนีเสขมุนีอเสขมุนีปัจเจกะมุนีแล้วก็พระองค์เนี่ยเป็นมุนิมุนีก็คือเป็นมหามุนีเป็นมุนีผู้ยิ่งใหญ่ประเสริฐกว่ามุนีผู้ครองเรือนผู้ไม่ครองเรือนผู้เป็นพระเสขะ พระอเซคะ ป, ะ, เะประเสริฐกว่าพระปเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์นั้นเป็นผู้ฉลาดในข้ออุปมาทุกอย่างพระองค์เนี่ยเปรียบเทียบได้หมดอย่างที่พระองค์ตรัสว่าวินยูชนในโลกนี้จะเพึงรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาเนี่ยนะไล้ไลยอย่างโดยมากอุปมาได้หมดเวน้นแต่มีอยู่คําหนึ่งที่บอกว่าไม่ไม่ใช่ข้อไม่มีข้ออุปมาคือพระนิพานเพียงแต่เล่าเพราะพระพนิพานไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบ อย่างมากก็เล่าเล่าอะไรเรื่องอื่นประกอบเท่านั้นเองแต่ว่าตัวพระนิพพานนั้นไม่มีอะไรเปรียบมางง้นในเนต ใ, นะในจุลนิเทศเนี่ยนะในจุลนิเทศเนี่ยกล่าวไว้ว่าพระนิพพานไม่มีเครื่องเปรียบเนี่ยไม่มีไม่รู้จะเอาอะไรไปเปรียบฉะนั้นแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปแล้วทุกอย่างเนี่ยชื่อว่าเปรียบได้หมดนะนีพระองค์นี้เป็นผู้ฉลาดในการเปรียบเทียบ โปัมกุสโลเาเรียกว่าฉลาดในข้ออุปมาพระองค์ก็ทรงตัดความสงสัยของสัตว์ทั้งปวงได้บัดนี้เมื่อจะแสดงพระคุณทั้งหลายของพระองค์ที่ตรัสแล้วจึงตรัสว่าเบื้องต้นและเบื้องปลายของอสงไข่เหล่าใดอันใครๆ ร, รู้ไม่ได้อสงไขยเหล่านั้นมี4อย่างคือ 1. สัตตนิกายแปลว่าหมูสัตว์ 2. ออากาศสามจักรวาลที่ไม่มีที่สุดสี่ พระพุทธญาณที่ไม่มีใครสามารถจะนับได้อสศงไข่สีประการเหล่านี้ใครๆไม่อาจจะรู้ได้หนังสือแปลผิดนิดหน่อยอธิบายเพิ่มเติมว่าจัตตารเป็นคํากําหนดจํานวนนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ความที่จะพึงตรัสในบัทนี้ด้วยบทว่าเอเตอะสังขยยาได้แก่ชื่อว่าอาสศงไขเพราะใครๆไม่อาจนับได้อธิบายว่าเกินที่จะนับ น, นะโกติโกดเนี่ยนะโดยโกดแปลว่าขอบเขตเบื้องต้นหรือเบื้องปลายวัางกันเยสังก็ได้แก่ของอสงไขสีเป็นต้นอธิบายว่าในสี่ประการที่เรียกว่ามีเบื้องปล้นเบื้องต้นเบื้องปลายที่ใครใครไปไม่สามารถจะนับได้เนี่ยนะต้นต่างกันเมื่อไหรปลายอยู่ที่ไหนสี่ประการมีอะไรบ้างหนึ่งสัตตะนิกโยหมู่สัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีปริมาณ นับไม่ได้นะทัวในครั้งหนึ่งว่าใครไปนับสัตว์ในน้ําได้บ้าง น, นะนับสัตว์ที่มุดอยู่ใต้ดินเนี่ยก็นับยากที่โผล่ขึ้นมาบนดินนี่ก็นับยากเลยนะแล้วก็ไม่ใช่มีจักรวาลเดียวเพราะหมูสัตว์จึงไม่มีที่สุดอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอากาศก็อย่างนั้นที่สุดของอากาศก็ไม่มีเพราะนั้นไม่มีผู้ใดจะท่องเที่ยวไปให้มันสดอากาศ น, นะไม่มีที่สจักรวาลก็เหมือนกันไม่มีที่สุดใน จักรวาลที่สี่ก็คือพระพุทธยานคือพระสัพพัญยุตยานไม่มีใครสามารถที่จะนับได้เพราะเหตุที่อสงไขยเหล่านี้ไม่มีที่สุดฉะนั้นใครๆจึงไม่อาจจะรู้ได้บัดนี้พระศาสดาเมื่อจะทรงขยายพระธรรมเทศนาว่าในการทำริษัต่างๆของพระองค์นั้นจะอัศจรรย์อะไรสำหรับเทวดาและมนุษย์เป็นต้นซึ่งเกิดความประหลาดอัศจรรย์ ความประลาดอัศจรันตที่วิเศษยิ่งกว่านั้นยังมีอยู่ขอท่านทั้งหลายจงฟังความอัศจรรย์นั้นของเราท่าบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าสแสดงได้ขนาดนี้จะน่าอัศจรรย์อะไรน่าอัศจรรย์ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เล่าว่าการทํำริษต่างๆของเราจะอัศจรรย์อะไรในโลกความอัศจรรย์ทั้งหลายอย่างอื่นที่น่าประหลาน่าประหลาดน่าคนลุกขนชันยังมีอีกมากนะ สิ่งที่น่าอัศาจรรย์เหล่านั้นมีอะไรบ้างหน้า142บอกว่าบัดนี้เพื่อจะแสดงความน่าอาัศาจรรย์เหล่านั้นจึงตรัสว่าครั้งใดเราเชื่อว่าเท้าสันดุสิตอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตครั้งนั้นหมื่นโลกกธาตุก็พากันประคองอัญเชลีอ้อนวอนเราตอนที่พระองค์เสด็จประทับอยู่ที่ดุสิตสมัยนั้นที่เชื่อว่าเท้าสันดุสิตเนี่ยนะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ย การนั้นเนี่ยการไหนการที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมี30สท่วนบำเพ็ญบารมีเสร็จสิ้นแล้วทานที่พึงให้ที่ไม่ให้ไม่มีให้เสร็จสิ้นแล้วศีลที่ไม่เคยรักษารักษายังไม่ครบท้วนสมบูรณ์ไม่มีเนเนฆะนมะที่ไม่เคยเจริญไม่เคยปฏิบัติก็ไม่มี ปัญญาที่ไม่เคยอบรมไม่เคยปฏิบัติก็ไม่มีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบรรดาบารมีสิบอุปบารมีสิบปรามัตถารมีสิ บ, ามามสบไม่มีอะไรที่ประพฤติปฏิบัติไว้ขาดตกบกพร่องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะเจริญไว้เสร็จสิ้นแล้วตลอด4อสงไขยแสนกับมหาบริจาก5พระองค์ก็ได้เจริญแล้วเนี่ยนะ บุตรพระองค์ก็บริจาคแล้วภริยาพระองค์ก็บริจาคแล้วราชสมบัติพระองค์ก็บริจาคแล้วอวัยวะพระองค์ก็บริจาคแล้วชีวิตพระองค์ก็บริจาคแล้วแต่ละอย่างนั้นก็ไม่ใช่บริจาคครั้งเดียวแต่ละอย่างนั้นทําอย่างมากมายสุดขนานับไปกัน้นส่วนการประพฤติสงเคราะห์ญาติทั้งหลายพระองค์ก็ทําแล้วสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อเกือ้อกูลแก่ญาติทั้งหลายเครียกว่ายาตตจริยาทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ญาติ ส่วนใดที่จะทำเพื่อการสงเคราะห์ญาติสิ่งเหล่านั้นก็ทำแล้วโลกถจริยาสิ่งใดที่จะเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกพระองค์ก็ทำสิ่งนั้นแล้วสิ่งใดที่เรียกว่าจะเป็นข้อปฏิบัติเกื้อกูลต่อการบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บำเพ็ญแล้วเรียกว่าพุทธถจริยาหรือว่าพุทธจริยาข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเป็นพระเวสสันดรได้ถวายสัตตะสัตตกะมหาทานสัตตะสัตตกระมหาทานก็คือเรียกว่าให้ของเจ็ดอย่างอย่างละเจ็ร้อยนี่นะให้ของเจ็ดอย่างอย่างละเจ็ร้อยทำแผ่นดินให้วันไว้ถึงเจครั้งในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเจครั้งมีตอนไหนมากตอนที่อายุ8ดขวบปรารบสละร่างกายและชีวิตเป็นต้นให้ เป็นทานตอน8ดขวบแล้วก아아ตวว็ตอนที่บริจาคช้างให้ช้างเป็นทานแผ่นดินก็หวั่นไหวตอนที่บริจาคสัตตกะมหาทานแผ่นดินก็หวั่นไหวตอนที่พระองค์เนี่ยไปอยู่ที่เขาวงกดบริจาคกทนทันหาชาลีแผ่นดินก็หวั่นไหวบริจาคพนางมัสสีแผ่นดินก็หวั่นไหวขณะที่พระญาติมารวมกันแผ่นดินก็หวั่นไหวกลับไปสู่เมืองอีกไปถึงเมืองแผ่นดินก็หวั่นไหวเกิดแผ่นดินไหวอยู่เจ ครั้งเนี่ยนะ